ที่ประเทศสหรอเมริกานะมีคนถือพุทธนะอยู่ไม่น้อยแต่ว่าเขามีวัดไม่มากนะโดยเฉพาะถ้าเป็นสําหรับชาวอเมริกันนะวัดที่มีอยู่ทางพุทธศาสนาส่วนใหญ่ก็เป็นวัดสําหรับคนเอเชียไทยลาวเขมรแต่ถ้าเป็นฝรั่งแล้วเนี่ยหาวัดได้ยากนะเพราะว่าไม่ค่อยมีพระ หรือว่านักบวชส่วนใหญ่ก็จะเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแลวสำนักปฏิบัติธรรมนี่ก็คล้ายๆกับสมาคมนะก็คือว่ามีสมาชิกมีสมาชิกแวะเวียนกันมาปฏิบัติแล้วก็คงจะมีการบริจาคเงินหรือว่าเก็บค่าธรรมเนียมด้วยนะอันนี้มันต่างจากเมืองไทยอันนี้มีสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะให้สมาชิกของเขาเนี่ย มีทักษะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีเพราะว่าเดี๋ยวนี้ความขัดแย้งมันเกิดขึ้นไปทั่วนะไม่ว่าในครอบครัวในที่ทํางานแล้วก็สำนักปฏิบัติธรรมนะที่คนที่เป็นประธานนะสำนักก็อยากจะให้สมาชิกได้มีทักษะในการแก้ปัญหาความขัดแยง้งเหล่านี้โดยไม่ใช้ความรุนแรงนะโดยใช้สันติวิธีซึ่งมันก็สอดคล้องกับ วิธีการแบบพุทธอยู่แล้วนะพอทางพุทธเราก็เนเรื่องการไม่เบียดเบียนการไม่ใช้ความรุนแรงไม่ใช่แต่ทางกายแต่รวมถึงทางวาจาด้วยวก็เลยจัดอบรมสาวทิศจัดเป็นคอร์สนะแล้วก็เชิญวิทยากรวิทยากรคนนี้ก็เก่งแต่ว่าแกไม่ใช่พุทธนะแต่ว่าก็เป็นคนที่มีวิธีการในการสอน แต่ว่ามันไม่ใช่การสอนเป็นการอบรมนะก็ช่วงเช้าก็มีการบรรยายนะพอช่วงบ่ายก็ให้มีการฝึกนะเขา ก, กำหนดสถานการณ์ว่าเนี่ยสมมติว่ามีตัวประกันนะก็เอาคนที่เข้าอบรมนี่แหละนะอาส า, าสมัครมาเป็นตัวประกันสมบทสมบาติเป็นตัวประกันส่วนผู้ก่อการร้ายนะก็คือวิทยากรก็มีการตั้งโจทย์ว่าเนี่ยให คนที่เหลือเนี่ยหาทางเจรจาช่วยตัวประกันโดยใช้สันติวิธีนะที่จริงเจรจามันก็สันติวิธีอยู่แล้วเนี่ยตั้งโจทย์นี้ให้นะว่าเนี่ยจะช่วยเหลือตัวประกันได้อย่างไรด้วยการเจรจาให้โจทย์เสร็จผู้ก่อการร้ายนะซึ่งก็คือวิทยากรนั่แหละนะก็สูบุรีสถานที่ที่จัดนะอบรมเนี่ยมันเป็นห้องสวดมนต์นะเป็นวิหารที่เขาใช้สวดมนต์ พอผู้กอ่อการร้ายหรือวิทยากรสูบบุหรีนะ่ก็มีหลายคนประท้วงวันนี้ว่าที่นี่มันเป็นที่สวดมนต์นะสูบบุหรี่ไม่ได้มันมีกฎระเบียบอยู่ผู้กอ่อการร้ายก็บอกว่ากฎระเบียบอะไรผมไม่สนใจนะผมจะสูบบุหรี่นี่คุณจะมาเจราจากับผมเรื่องสูบบุหรี่หรือว่าจะเจราจาเรื่องตัวประกัน หลายคนก็ช่างไม่พอใจเลยนะสูบบุหรี่กันในห้องที่ใช้สวดมนต์แต่หลังจากที่ทางนั้นก็บอกว่าเนี่ยนี่มันเป็นห้องสวดมนต์นะคุณต้องขอรัห้องสวดมนต์นะผู้ก่อกรารร้ยบอกว่าก็ได้ก็ได้ไม่สูบก็ได้เสร็จแล้วก็เอาบุหรี่เนี่ยไปจี้ที่ตักพระพุทธรูปนะตักหรือพับเปล่าเนี่ยเอาบุหรี่ไปจี้ดับนะ พระพุทธรูปนี่ก็เป็นที่เคารพสักการะนะแม้กระทั่งของชาวพุทธในอเมริกันพอเห็นแบบนี้ก็ไม่พอใจนะโวยวายกันใหญ่วิทาการก็บอกว่าเนี่ยตกลงคุณจะเจรจาไหมเรื่องช่วยเหลือตัวประกันนะก็มีคนก็ท้วงวันเนี่ยที่พระพุทธรูปนะพระพุทธรูปนี่เราเคารพนะพู้ก่อกล้าบอกว่าผมไม่สนใจนะนะผมไม่ได้นับถือาศาสนาพุทธนะคุณจะเจรจาหรือเปล่านะ ถ้าไม่เจราจาผมก็ได้กลับนะก็มีเสียงเออะโวยวายนะเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่พอใจก็มีคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าเนี่ยพวกเรานีนเชิญคุณมานะเพื่อให้มามาจัดอบรมยังไงคุณก็ต้องเคารพสถานที่ของเราผู ก, กากันลายก็บอกคุณอยากรู้ใช่ไหมว่าผมเคารพสถานที่ยังไงก็เดินไปที่มุมห้องแล้วปลดซิปแล้วก็ฉี่ โอ้ oh, คราวนี้นี่คนในในที่มาอบรมนี้อดรนทนไม่ได้เลยนะเพราะว่ามาฉี่นะั่นในห้องสวดมน์นะลุมก็ลุมเลยนะไปเตะไปต่อยนะบางคนก็ถีบนะปรากวาวิทยากรผู้ผู้ก่อการรายนี่ยอมแพ้นะปล่อยตัวประกันไปเลยแล้วก็ออกไปไม่กลับมาอีกเลยอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้มันน่าคิดนะว่าเออ มาอบรมสันติวิธีไม่ใช่เหรอแล้วทำไมลงเอ่ยด้วยการลงมือลงไม้นะเตะต่อยนะและที่น่าสนใจคือว่าที่วิทยากรเขาทำเนี่ยก็เป็นแค่การแสดงนะเป็นการสมบทบาทเป็นการแสดงนะแต่ว่าเ้าเป็นการพยายาม ต, ตั้งโจทย์ให้มันยากๆนะแต่ทำไมเนี่ยสมาชิกซึ่ง ก็เรียกตัวว่าเป็นชาวพุทธนะถึงไปลงไม้ลงมือกับเขานะก็ตอบด้วยว่าเป็นเพราะลืมตัวนะหลายคนนี่ก็เป็นพวกที่ยุ่งก็ไปตบนะแถมกินมังสวิรัติด้วยไม่ต้องการฆ่าสัตว์นม้กระทั่งการกินเนื้อสัตว์ก็ไม่กินเรียกว่าเป็นพวกที่รักสันติมากแต่ทําไมลงเอยด้วยการ ใช้กําลังนะกับคนที่เชิญมาเป็นวิทยากร น, นะอันนี้แสดงให้เห็นแนวะ่าเพราะเขาลืมตัวแล้วทาไมถึงลืมตัวลืมตัวก็เพราะโกรธโกรธอะไรโกรธที่เขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องขึ้นนะโดยเพราะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับสิ่งที่เคารพนับถือนะก็เช่นห้องสวดมนต์หรือพระพุทธรูป พอเห็นเขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องจำเป็นด้วยหรือเปล่าที่เราจะต้องทำความไม่ถูกต้องกับเขานะอันนี้มันก็เป็นอุทาหรณ์นะว่าความถูกต้องเนี่ยนะมีอยูดีแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นกับความถูกต้องมากเนี่ยมันก็อา จ, จะทำให้เกิดความไม่ถูกต้องขึ้นมาได้ นะก็คือว่าอยากจะให้เคารพพระพุทธรูปอยากจะให้เคารพห้องสวดมนต์นะแต่พอวิทยากรคนนี้ทําทีทําท่าว่าไม่เคารพนะเกิอดอะไรขึ้นนะโกโรธทันทีนะแล้วพอโกโรธแล้วเนี่ยมันก็ลืมตัวนะแล้วพอลืมตัวแล้วก็สามารถจะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้ทําไมถึงว่าไม่ถูกต้องนะก็เพราะว่ า, าการใช้กําลังนะการอา่า แต่ถีบต่อยเนี่ยนะมันมันก็ไม่ใช่วิสัยชาวพุทธอยู่แล้วนะพระเจ้านี่ท่านตัดแม้กระทั่งว่าแม้ใครเนี่ยแม้โจรผู้ชั่วช้าต่ําช้าเนี่ยเอาเลื่อยนะมาเลื่อยเอาอวัยวะน้อยใหญ่ของเราหรือว่าเลื่อยให้ขาดเป็นสองท่อนเนี่ยเพียงแค่มีจิตคิดร้ายนี่ก็ถือว่าไม่ใช่ปฏิบัติตามเราตถาคตนะพระองค์สอนว่านี่ย แม้กระทั่งในเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็ต้องรักษาใจไม่ให้แปรผันไม่กล่าววาจาชั่วยาบนะมีจิตเมตามไม่มีโทสะภายในใจนะถึงขนาดนี้เลยนะนี่ขนาดว่าเข้ามาทํรลายถึงชีวิตเนี่ยนะพระพุทธองค์ก็ไม่สนับสนุนให้มีจิตคิดร้ายหรือว่าใช้วาจาชั่วยาบเขานะับภาษาอะไรกับการที่ มีใครบางคน ท, ท, ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องขึ้นมาแล้วเราจะต้องตอบแทนด้วยการทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องด้วยนะ mm. อันนี้มันชื่อเห็นล้วนะว่าความยึดมั่นถือมันเนี่ยถ้าเรามีความยึดมั่นถือมั่นแม้กระทั่งในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมันก็สามารถจะก่อผลเสียกลายเป็นกระทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องขึ้นมาได้อุปทานหรือความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยไม่ว่าจะยึดมั่นถือมั่นเรื่องอะไรเนี่ยมันก็มีโทษทั้งนั้นนะ อย่างกรณีเนี่ยไปยึดมั่นความถูกต้องว่าต้องเคารพ บ, บูชาสักการะพระพุทธรูปนะถ้าว่ายึดมั่นถือมั่นมากเกินไปแล้วพอมีใครทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับสิ่งที่เรานับถือเนี่ยมันก็สามารถทําให้เราโกรธนะพอโก่อแล้วก็ลืมตัวพอลืมตัวแล้วเนี่ยก็สามารถจะใช้ความรุนแรงกับคนที่ทําความไม่ถูกต้องนั้นก็ได้กรณีนี้มันยังชื่อห้เห็นนะว่าเนี่ย เป็นเพราะว่าส่งจิตออกนอกมากไปผู้ที่มาอบรมเนี่ยนะก็เป็นชาวพุทธเราก็ต้องใจว่าอยากจะใช้สันติวิธีนะแต่พอเห็นวิทยาก ร, รหรือผู้ก่อาการร้ายนะ <c oughs> เขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยโกรธจิตมันส่งออกนอกลืมมาดูใจของตัวว่าตอนนั้นความโกรธกำลังเกิดขึ้นแล้วเมื่อเราไมได่ดูใจของเรานะปล่อยให้ความโกรธข้อม ง, งามเนี่ย มันก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะนำไปสู่ความไม่ถูกต้องนำไปสู่การเบียดเบียนนำไปสู่การใช้กำลังซึ่งไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธดะงนั้นถ้าเราพิจารณาจากเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็พูดได้ว่าผู้ที่มาอบรมนะในครั้งนั้นเนี่ย ก็เรยว่าสอบตกนะทั้งสอบตกในฐานะเป็นชาวพูดแล้วก็สอบตกในฐานะผู้ที่เชื่อในสันติวิธีนะอันนี้ก็เป็นเป็นบทเรียนที่ทําให้หลายคนก็กลับมาคิดเหมือนกันว่าเนี่ยการที่มีอุปท า, านแม้กระทั่งในความถูกต้องมันก็สามารถทําให้เกิดความโกรธความเกลียดขึ้นมาจนทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องขึ้นมาได้ ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอะไรนี่มันก็สามารถจะนําไปสู่สิ่งที่ตรงข้ามก็ได้นะยึดมั่นในพุทธศาสนามากๆสามารถจะทําให้เกิดสวิงไปทําสิ่งที่ไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธอย่างเช่นตอนนี้ในลังกาในพมา่าเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ก็คือว่าชาวพุทธโดยเฉพาะมีพระเป็นผู้นําในการใช้ความรุนแรงนะ กับคนที่นับถือศาสนาอื่นถ้าพม่านี่ก็รวมทั้งโรฮิงญาด้วยโรฮิงญานี่ก็โดนเล่นงานเยอะนะเพราะเขาไม่ได้เป็นชาวพุทธแล้วก็พระที่นั่นเนี่ยทั้งในพม่าลังกาก็อ้างว่าทําเพื่อปกป้องพุทธศาสนาแต่ว่าสิ่งที่ใช้สิวิธีการที่ใช้นี่ก็เป็นการใช้ความรุนแรงนะเผาบ้านนะไปปล้นไปปล้นสะดมถึงกับมีการลงมือฆ่าก็มี ปกป้องพุทธศาสนาแต่ใช้การฆ่าการเผาบ้านเรือนนี่มันก็เท่ากับสวนทางนะสวนทางคําสอนของพระเจ้านันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะ น, น, รนะนับที่โดยมีชาวพุทธหรือว่าพระเป็นผู้นำเนี่ยอันนี้ก็ต้องพูดว่าเป็นพราความยึดมั่นถือมั่นในพุทธศาสนามากพอยึดมั่นมากเนี่ยมีอะไรที่ดูเหมือนจะเป็นการคุกคาม จริงหรือจริงจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่ามันจะมาคุกคามนะบรรัญฑรพุทธศาสนาก็อดรนทนไม่ได้เกิดความโกรธเกลียขึ้นมาก็ถึงกับใช้ความรุนแรงอันนี้ก็เรียกว่าลืมตัวขาดสติไปแล้วนะขาดสติเพราะความยึดมั่นถือมั่นความเชื่อหรือความคิดเนี่ยแม้จะเป็นสิ่งที่ดีอะไรก็ตามนะความเชื่ออะไรก็ตามแม้จะดีแต่ว่าถ้ายึดมั่น มันก็สามารถจะกลายเป็นไม่ดีได้หลวงพ่อเฟื่องนะโชติโกนะวัดที่ระยองเนี่ยท่านเคยพูดไว้ท่านพูดสั้นๆนะว่าแม้ความเห็นของเราจะถูกแต่ถ้ายึดมันเข้าไว้นะคือหรือว่ายึดมั่นถือมั่นมันมันก็ผิดนะพุทธเจ้าเคยตรัสว่าเนี่ยทำคำสอนของพระองค์เนี่ยเปรียบเหมือนแพรแพรนี่มีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อข้ามฟัง เมื่อข้ามฝั่งแล้วก็ไม่ต้องแบกแพะก็ต้องปล่อยแพทิ้งเอาไว้แล้วพระองค์ก็ตัดต่อไปว่าทำที่พระองค์สอนเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อยึดมั่นถือมั่นนับภาษาอะไรกับอกุศลธรรมนะยิ่งไม่ต้องพูดถึงนะแม้กระทั่งอกุศลธรรมที่พระองค์สอนนี่ก็เปรียบเสมือน พ, วพ่วงแพ้ไม่พึงยึดมั่นถือมั่นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะแต่ว่าถ้า พิจารณาจากตัวอย่างเหตุการณ์ที่พูดถึงเนี่ยก็คงจะเห็นได้นะว่าถ้ายึดมั่นถือมั่นเมื่อไหรเนี่ยแล้วยิ่งมัน ย, ยิ่งยึดมั่นถือมั่นมากเนี่ยมันก็นําไปสู่การกระทําที่สวนทางกับธรรมะหรือพุทธศาสนาได้แม้แต่สันติวิธีนะยึดมั่นถือมั่นมากนี้ก็อาจจะกลายเป็นความไม่สันติเกิดขึ้นก็ได้เคยดูหนังเรื่องนึงนะเป็นการสนทนามีตอนนึงเป็นการสนทา น, สนาระหว่างพ่อกับลูก ลูกเนี่ยไปชกต่อยเพื่อนในโรงเรียนเพราะว่าเพื่อนเนี่ยดูถูกนะเด็กก็รู้สึกเสียศักดิ์ศรีที่จริงก็ไม่เด็กล้าเป็นวัยรุ่นก็เลยต่อยต่อยเพื่อนก็เลยถูกครูลงโทษนะพอพ่อรู้เนี่ยนะก็ต่อว่าลูกว่าทำไมนะถึงใช้กำลังลูกก็บอกว่าเพราะเขามาด่าผมนะด่าผมว่าไอ้หน้าตัวเมีย ไอ้ขี้แพ้ผมทนไม่ได้นะก็เลยต้องต่อยมันพ่อก็บอกว่าใครเขาด่าเราเนี่ยอย่าใช้กำลังไม่ว่ามีปัญหามีความขัดแย้งอะไรเนี่ยเราไม่ควรใช้กำลังนะเพราะว่าการใช้กำลังนี่มันมันไม่ใช่วิสัยของคนที่เข้มแข็งลูกก็เถียงนะว่าไอ้ถ้าเราไม่ใช้กำลังนะปล่อยให้เขาด่านี่ มันเท่ากับว่าเราเป็นคนที่แพ้เราเป็นคนอ่อนแอเราก็หน้าตูมเองที่เขาว่ า, างจริงลูกเถียงพ่อนะพ่อก็ชอบมีอารมณ์นะถียงไปถียงมาลูกก็บอกว่าเนี่ยพ่อพ่อเนี่ยคิดแบบนี้เซนนะพ่อถึงกลายเป็นคนขี้แพ้เป็นคนอ่อนแอพูดอย่างนี้นี่พ่อทนไม่ได้นะตบหน้าลูกเลย ตบหน้าลูกเพราะว่าลูกไม่เชื่อสันติวิธีนะเสรแล้วพ่อก็มันนึกได้โอ้เราไม่เราสอนลูกให้ใช้สันติวิธีนะแต่พอลูกไม่เชื่อเราก็โกรธพอเราโกรธแล้วเราก็เลยใช้ความรุนแรงกับลูกนะอันนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่าไปยึดมัน่นถือมันในสันติวิธีมากนะพอคนที่เราคนที่เรารักคนที่ใกล้ชิดเรานี่เขาไม่ใช้เขาไม่เชื่ออย่างที่เราคิด ก็เกิดความเสียใจเกิดยิ่งถ้าเขาต่อต่อต้านขัดแยง้งโต้เถียงนะยิ่งเกิดความโกรธพอโกอบแล้วก็เลยนะเผลอ ต, ตัวตบหน้าด้วยเหตุว่าไม่เชื่อสติวิธีนะอันนี้มันขัดแย้งกันนะสอนให้ลูกใช้สันติวิธีแต่ตัวเองเนี่ยกับไม่ใช้สัติวิธีกับลูกเพราะอะไรเนะพราะความยึดมั่นถือมั่นหรืออุ ป, ปทานเมื่อใดก็ตามที่เกิดอุปทานเนี่ยนะมันก็ จะเกิดความยึดมั่นว่าเป็นตัวกูกของกูกขึ้นมาทันทีความหมายผูปาทานนี่คือนี่ยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าจะยึดมั่นถือมั่นในอะไรอุปาทานมันมีสประการนะยึดมั่นถือมั่นในกามนะกามอุปาทานก็คือยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรายึดมั่นในความคิดที่ถูกปาทานก็ยึดมั่นว่าความเหตุนี้เป็นตัวเป็นเราเป็นของเรา อัตวาทุปาทานการยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นว่ามีอัตตาตัวตนหรือว่าศิลปะตับศิลปะตุปาทานก็คือการยึดมั่นถือมั่นในศิลน์ก็คือรูปแบบวิธีการหรือว่ายึดมั่นในศีนว่าถ้ารักษาศีลดีจะบรรลุธรรมได้จะหมดทุกได้แล้วก็พยุดมั่นแล้วเนี่ยมันกลายเป็นเกิดตัวกูของกูขึ้นมา ความคิดของกูนะสมบัติของกูศาสนาของกูนะแล้วตรงนี้แหละก็กลายเป็นว่าแทนที่จะปกป้องพุทธศาสนาก็กลายเป็นการปกป้องตัวกูของกูกิเลสเืออัตานี่มันมาในรูปที่แนมเนียนมากนะมันมาหลอกให้เราหลงเชื่อว่าเรากําลังปกป้องพิทักความถูกต้องนะปกป้องพิทักษพุทธศาสนาแต่ไปประมาณ ก, ก็กลายเป็นการปกป้องหรือว่า พิทักไอตัวกูของกูนี่แหละนะนต้องระวังนะชาวพูดเราโดยเพาะที่เป็นนักปฏิบัติเนี่ยเวลาเรามีความเชื่ออะไรว่าว่าเป็นสิ่งถูกต้องเนี่ยเราต้องระวังนะโดยพราะเวลาเห็นคนที่เขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเหมือนอย่างที่เราเชื่อนะเรามีนานโน้มที่จะเกลียดเขาได้ง่ายนะแล้วพอเราเกลียดแล้วเนี่ย ถ้าเกลียดมากๆมันก็กลายเป็นนะอยากจะตอบโต้อยาะทำร้ายเขามันก็เลยเกิดความไม่ถูกต้องขึ้นมาทันทีเดีย๋ยวนี้เราเห็นแบบสิ่งแบบนี้เยอะมากนะเวลามีการเอาผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาว่าฆ่าคมคืนหนะรือว่าเป็นฆาตกรเนี่ยมาทำแผนประกอบคำสารภาพในเหตุการณ์ ในสถานที่จริงเนี่ยนะก็จะมีคนมามุงดนะูแล้วคนเหล่านี้เนี่ยก็ต่างพากันแช่งชักหักกระดูกผู้ต้องหาเหล่านั้นนะว่ามันชั่วมันเลวแต่แล้วบางคนก็ทนไม่ได้เข้าไปลุมกระทืบบางทีไม่ใช่แค่กระทืบคนเดียวนะลุมประชาทางกันทั้งหมดเลยบางทีผู้ต้องหาก็ตายก็มีนะตายขาดเท้าหรือตายขาตีนของผู้คนซึ่งก็อ้างว่า ต้องการรักษาความถูกต้องเอาไว้ไม่ชอบที่เขาทำสิ่งที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมแต่ตัวเองนี่กลับทำเองนะไปกระทืบเขาตายเนี่ยหรือว่าไปทำร้ายก็จนบาดเจ็บเนี่ยมันจะเป็นความถูกต้องได้อย่างไรพอไปยึดมั่นความถูกต้องมากเห็นคนที่ทาอะไรไม่ถูกต้องเช่นเป็นฆาตกรเป็นพ่อค้ายานะก็ไปทำร้ายเขาเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะ เมื่อเจอคนไม่ถูกต้องแล้วเราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ได้แปลว่ามันจะกลายเป็นความถูกต้องขึ้นมาแต่เดี๋ยนี้ในผู้คนไม่ค่อยตระหนักนะมันเคยมีข่าวนะที่ประเทศเกาหลีหลายปีมันล้วก็ไม่นานเท่าไหร่ประเทศเกาหลีนี่เขามีกฎเขามีระเบียบนะมีกฎหมายว่าเวลาเอาหมาไปเลี้ยงนอกบ้านเนี่ยต้องต้องเก็บกวาดขี้ที่มันถ่ายด้วยเพราะว่าหมาเนี่ยบางทีมันเดินไปตาม ถนนมันก็ที่สกรปรกนะเป็นหน้าที่ของคนเลี้ยงที่จะต้องเก็บเก็บใส่ถุงพลาสติกนะอันนี้เป็นระเบียบที่มีในหลายประเทศแล้วญี่ปุ่นในยุโรปอเมริกาก็มีเหมือนกันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งแกเอาหมาไปเลี้ยงไปเดินเล่นแล้วก็หมาแม่ก็ขี่บนฟุตบาทแต่แกไม่เก็บเพราะแกคิดว่าไม่มีใครเห็นตอนนั้นมันไม่มีใครนี่ย ก็เดินผ่านไปเลยแต่ปรากฏว่ามันมีกล้องวงจรปิดถ่ายเห็นผู้หญิงคนนี้ไม่ไม่เก็บขี้ที่หมาตัวเองนะถ่ายเอาไว้ก็มีการเอาขึ้นเว็บไซต์เป็นการคล้ายๆประจานหรือก็เป็นการาเพื่อที่จะหาว่าเป็นใครในสุดก็รู้ว่าเป็นใครนะปรากฏว่าคนต่างๆก็ พากันเขียนข้อความด่าผู้หญิงคนนั้นแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะมีการตามหาไปถึงว่าผู้หญิงคนนั้นทํางานที่ไหนก็พบว่าไปทํางานที่หมาอทลายแห่งหนึ่งก็มีผู้คนเป็นหมื่นเลยนะเขียนไปด่าไปกดดันให้อธิการบรดีหมาอทลายนั้นเนี่ยนะไล่นะัไล่ผู้หญิงคนนั้นออกไล่เจ้าหน้าที่คนนั้นออกสุดท้ายก็ต้องออกนะ ตอนนัไม่พอนะก็ยังมีการไปตามหาว่าพ่อแม่คนเงาของผู้หญิงคนนี้เป็นใครแล้วก็มีการส่งข้อความไปด่านะด่าพ่อด่าแม่เขานะก็กลายว่าผู้หญิงคนนี้เสียผู้เสียคนไปเลยเพียงแค่ว่าไม่ได้เก็บขี้นะที่หมามันถ่ายไว้ที่จริงสิ่งที่เขาทาก็ไม่ถูกต้องนะมันผิดมันผิดระเบียบนะแต่ว่าไอการที่ไปผู้คนไป ไปทำอย่างนั้นเนี่ยกับเธอเนี่ยจกนกระทั่งตกงานจกนกระทั่งไม่มีที่จะที่จะซุกหัวก็ได้นะพ่อแม่ก็เดือดร้อนนะแล้วก็หางานทําก็ไม่ได้เพราะไม่มีใครอยากจะรับกลัวว่ารับไปแล้วจะถูกนะลุมลุมด่าทางทางเว็บไซต์สมัยนนะั้นยังไม่มีเฟซบุ o กนะเดี๋ยวนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่พอพอมี Facebook แล้วนี่มันก็มันไม่ใช่แค่ประเทศเดียวมันกระจายไปทั่วโลกเลยนะ มีเพี่นคนหนึ่งแกไปทำงานที่แอฟริกาใต้ไปประชุมหรืออะไรสักอย่างนะเพราะว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งในในอเมริกาแกก็เขียนข้อความในทว i t เตอร์บอกว่าแอฟริกาใต้มีคนเป็นเอเดเยอะนะแต่ว่าฉันไม่เป็นหรอกเพราะฉันเป็นคนผิวขาวนะเขียนข้อความเนี้ยให้กับเพื่อนๆ น, นะพอไปถึง เสแล้ก็ขึ้นเครื่องบินไปแอฟริกาใต้ช่วงที่ขึ้นนั่งอยู่บนเครื่องบินเเธอก็ไม่รู้นะว่าไอข้อความนั้นเนี่ยมันเล็ดรอดออกไปจากบวงของเพื่อนนะไปสู่คนใครต่อใครมากมายก็เลยมีคนเนี่ยเขียนไปด่านเป็นมืนม่นๆเลยนะพอไปถึงแอฟริกาใต้ปรากฏโอ้โข้อความนี้ของเธอมันแพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วก็มีคนด่ามีการขุดคุยว่าเนี่ยเธอทํางานที่บริษัทไหน ก็มีการลุมถล่มบริษัทนั้นนวลเนี่ยจะรับจ้างคนอย่างนี้ได้อย่างไรคนที่มีนิสัยเหยียดผิวแบบนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะในสําหรับคนสำหรับฝรั่งเนี่ยสําหรับคนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้สึกแต่ข้อความอันนี้ก็ถือว่าเหยียดผิวนะเนี่ยยียดผิวเหยียดเหยียดทางเพศเนี่ยเดือดร้อนได้ง่ายสุดท้ายก็ตกงานตกงานแล้วก็ไปหางานทําที่ไหนก็ไม่ได้นะ ก็เรียกว่าหน้าตาของเธอภาพของเธอก็เผยแพร่ทั่วโลกเป็นเรื่องเฉาโชมากเพียงแค่ข้อความไม่กี่บรรทัดซึ่งเผอพูดไปด้วยความคนองและที่จริงเธอก็ไม่ได้คิดจะให้มันเผยแพร่ใครก็เผยแพร่ในหมู่เพื่อนๆ น, นะแต่ว่ามันมันมีการแชร์ต่อไปเรื่อยๆเขเรียกรีทวีตรีทวีตไปเรื่อยๆเนี่ยปกติว่ามันกระจายไปทั่วโลกกนะ็เสียพูดเสียคนไป แค่นี้เาพิจารณาว่าถึงแม้ว่าสิ่งที่เธอทุบพูดไปมันจะไม่ถูกต้องนะแต่ว่าสมควรหรือเปล่านะที่จะต้องเจอแบบนี้นะแล้วคนที่ทําเนี่ยนะเขาคิดบ้างหรือเปล่านะว่ามันจะเกิดผลอะไรตามมาแล้วคนที่ทํานี่ก็เจตนาดีนะหรือว่าต้องการรักษาความถูกต้องนะคนที่ผู้หญิงที่พูดแบบนี้มันต้องสั่งสอนสันหน่อยนะมีความคิดแบบเหยียดผิวต้องสั่งสอน แต่ว่าการทําอย่างนั้นเนี่ยนะแ่าจะทําในนามความถูกต้องนะแต่ว่ามันกลายเป็นความไม่ถูกต้องมาแล้วเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการทําให้เขาไม่ได้ผดไม่ได้เกิดเลยทั้งที่คนล้องก็ผิดพลาดได้แล้วเขาก็ไม่ได้ทำอะไรมากนอกจากการพูดจาแบบไม่ระมัดระวังเดีย๋ยวนี้มันต้องต้องยังต้องต้องระมัดระวังมากนะมีผู้ชายคนหนึ่งไปไประชุมนะอันนี้ฝรั่งเหมือนกัน ไปประชุมในคล้ายๆว่าเป็นห้องประชุมอ่นนะแล้วเขาก็นั่งคุยกับเพื่อนผู้ชายคนอยู่ข้างๆคล้ายๆเป็นพูดแซวผู้หญิงที่กำลังกำลังบรรยายอยู่พูดแซวกันแบบให้เพื่อนฟังนะสองต่อสองนะบอกว่าผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยได้ยินไม่พอใจก็ถ่ายรูปของผู้ชายคนนี้แล้วก็เอาขึ้นเฟซบุ๊กนะ โว่เพราะว่าคนนี่เป็นหมื่นๆเลยนะลุมดาเพราะว่าตกงานนะตกงานคนนี้ก็งงเลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้ไอ้ที่เขาพูดเนี่ยเขาคุยกันแค่กับเพื่อนนะแต่ว่ามันกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะตอนหลังก็มีพวกที่เห็นใจผู้ชายคนนี้นะก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ตามหาผู้หญิงคนเนี้ว่าเป็นใครแล้วก็ชักชวนกันด่า ถล่มผู้หญิงคนนี้เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ก็เป็นอาวะตกงามเหมือนกันนะเพราะว่าอบริษัทที่จ้างเธอทนไม่ไหวเพราะว่าคนมารุมกระหน่ำเยอะเหลือเกินกดดันก็ดือร้อนกันไปทั้งสองฝ่ายนะแล้วก็เป็นแผลนะอันเนี้ยทั้งทั้งหมดนี้ก็ทําในนามความถูกต้องนะแต่ว่าพอทําไปนําไปเนี่ยมายึดมั่นถือมั่นมามันกลายเป็นความไม่ถูกต้องขึ้นเรียกว่า ถ้าจะมองก็คือว่าเป็นความถูกต้องที่ปราศจากเมตตานะการมีสำนึกความถูกต้องนี่เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าถ้ามันขาดเมตตามันก็อันตรายหรือว่าถ้ายึดมั่นถือมั่นมากไปนะมันก็นาไปสู่ความร้ายเมตตานะต่อคนที่ทำผิดทำพลาดย้อนกลับไปเรื่องที่พูดถึงการอบรมนะที่วิทยากรคนนั้นเนี่ยนะ แกล้งทําในสิ่งที่มันยุ่ยยุกระทบกระเทือนจิตใจของอสมาชิกสถานปฏิบัติธรรมแห่งนั้นเนี่ยที่จริงถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ตนเลยไปจากความเป็นจริงนะหมายความว่าในความเป็นจริงทุกวันนี้เนี่ยมันก็มีคนที่จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนี่ก็จ่วงจานะ่าจ่วงจาาพุทธศาสนาจ่วงจา่าพุทธรูปนะ จนกทั่งเดี๋ยวนี้ต้องมีองค์กรในเมืองไทยโน้ตอิมบุตดาเนี่ยเพื่อที่รณรงค์งเพื่อให้ไม่ให้มีการจ้วงจับเดี๋ยวนี้มันก็มีคนผู้ที่ไม่ค่อยมีความอ่อนไหวต่อศาสนานะเราจะเจอเยอะไปจ่วงจับศาสนาโน้ตบ้างศาสนานี้บ้างที่เป็นเรื่องเป็นลาวใหญ่โตก็เมื่อต้นปีเนะี่ยไปจ่วงจับศาสนาศาสดาอสของศาสนาสลามและที่จ่วงจับศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ก็คงมีอีกเยอะนะ คนนี้เรียกว่าไม่มีความละเอียดอ่อนนะทางศาสนาทางวัฒนธรรมระะนั้นชาวพู้เราต้องเจอเรื่องแบบนี้นะต่อไปจะเจอมากขึ้นเรื่อยๆที่จริงสิ่งที่วิทยากรคนนั้นทรเนี่ยก็เพื่อฝึกให้เราฝึกให้สมาชิกศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยมีการมีความรู้เท่าทันแล้วก็สามารถจะ ใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาเมื่อมีคนแสดงความไม่เคารพมีการจ่วงจับ เ, เราจะใช้สันติวิธีอย่างไรในการรับมือกับปัญหาเหล่านีน้อันนี้เป็นเรื่องที่มันต้องรู้ต้องต้องมีทักษะแล้วนะเพราะว่ามันคือยุคโลกาภิวัตน์ที่ต้องเจอปัญหาแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆถ้าชาวพุทธเราไม่รู้เท่าทันตัวเองเนี่ยเกิดเกิดลืมตัวขึ้นมาหรือว่าน็อตหลุดขึ้นมาเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องเสียหายได้ เพราะว่าอย่างที่บอกนะอะไรก็ตามที่เรายึดมั่นถือมั่นมากเนี่ยโอกาสที่เราจะเสียผู้เสียคนเพราะสิ่งนั้นเพราะความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นก็เป็นไปได้ง่ายนั่นเราก็ต้องนะมีความรู้เท่าทันในสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันแล้วก็มีทักษะในการแก้ปัญหาโดยที่ไม่ทิ้งความเป็นพูทของเรานะีนั่นก็คือการที่ยึดมั่นในสันติวิธี แต่ยึมันในสันติวิธีก็อย่างที่ว่านะถ้ายึดมั่นจนขาดสติมันก็กลายเป็นความไม่สันติเกิดขึ้นได้นะใครไม่เชื่อสันติวิธีก็เกลียดเขาเนียหรือว่าถึงขั้นทำร้ายเขาเนี่ยอันนี้มันก็เป็นความโง่ที่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นอย่างหนึ่งเอาคํำนี้พูดกันเท่านี้นะเอากราบพระ